โห oh, สีกรรมซึ่งกันและกันก่อนซิมนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายจิตยาในทุกภูมิทุกฌานน้อมใจกันขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพระภะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระภะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมทั้งหลายวจีกรรมทั้งหลายมโนกรรมทั้งหลายกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกภพทุกชาทุกกานทุกกับทุกพุทธันดรที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลาย อามนุษย์ทั้งหลายติตยานทั้งหลายทั้งสามสบเอ็ดภพภูมิตั้งแต่เวจีมหานรกจนถึงพมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมและเหล่าเจ้าเนื้อที่ทั้งหลายผู้ดูแลทุกชั้นทุกภูมิกรรมบันใด ที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ตรงต่อพระสัจธรรมเพิกเฉยเมินเฉยวิภาวิจัยวิจารลังเลสงสัยในพระสัจธรรมกรรมมันใดที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายยังหลงห่วงหาอลัยอววรหลงยึดติด ในสรรพสิ่งทั้งปวงการมันใดที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยขัดขวางผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ตรงต่อพระสัจธรรมการมันใดที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายยังหลงวบวนในธาตในขัน และเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้อื่นหลงวกวนในทาตุในขันกรรมมันใดที่เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยขัดขวางได้เคยวิพากวิจัยวิจารในการโปรดสัตว์แห่งองค์พุทธะพระมหาโพธิสัตว์ กรรมมันใดที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยผิดศีลผิดธรรมผิดต่อสามีผู้อื่นผิดต่อภรรยาผู้อื่นกรรมมันใดที่ได้เคยทำร้ายทำลายในของของสง ได้เคยเป็นนี่สงการมันใดที่ได้ประมาทปามาตรทาลายทำลายในองคุณเบื้องสูงองคุณมหาพุทธะองคุณพุทธะองคุณพระมหาโพธิสัตว์องคุณพระโพธิสัตว์องคุณพระมหาปัเจกพุทธเจ้า องคุณพระปจเจ้าก er> ับพุทธเจ้าองคุณพระมหาอรหันต์องคุณพระอรหันต์พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์และหมู่สงฆ์ทั้งหลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพุทธสถานทั้งหลายกรรมันใด ที่ได้เคยปฏิค้าปรามากต่อองคุณแห่งดิดามาดาผู้อุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นและเจ้ากรรมนายเวณทั้งหลายกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมขอน้อมบรมีเบื้องสูง องคุณพุทธะพระมหาโพธิสัตว์และองคุณแห่งหลวงพ่อโพสีสุริยะเขมรัตโตจงได้โปรดเป็นประธานยกโทษและอาหัวสิกรรมเพื่อให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นโมฆะกรรมและให้เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตนนิตยาในทุกภูมิทุกชั้นจงได้แจ้งตรงต่อพระสัจธรรมอรรรรย่างฉับพั น, พนและมีเนื้อห า, หาแห่งาการโปรสัตว์ตามองค์พุทธะพระมหาโพธิศัตว์นักการแบบนี้ด้วยเธถิด โหสี โ, โสโจงใช้ธาตุขันธ์กายใจที่มีอยู่แล้วนี้เป็นสากลในการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันสากลไม่ชใช่ไปเรื่องเฉพาะตนหรือเพื่อตนให้กายนี้จิตนี้มันเป็นสากลในประโยชน์ทั้งหลาย อยู่ร่วมกันเยอะๆหลายชีวิตจิตวิญญาณนั้นลูกก็เสียสระร่วมกันสาอาดนอกสะราดในสิ่งนี้ไม่ต้องให้บอกมันเป็นเนื้อหาของความสำนึกขึ้นด้วยจิตนี้ของทุกคนเองแล้วก็เป็นการอยู่ที่วางการเป็นการอยู่เองเรียกว่าทั้งหมดคือความมายุติดลูกจึงจะตรงต่อความหลุดท้นในตัวมันเอง นอกเหนือสุขนอกเหนือทุกเรีอว่าทุกธาตุทุกขันไม่ว่าสภาพกายรูปสภาพจิตก็ให้มันรีแลกตัวมันเองตลอดโดยรหัสไส้ที่ว่าอย่าตั้งซ้อนอย่าต้องซ้อนอย่าจึง้งอย่าจ้องอย่าต้องอย่าตั้ ง, อ ย, งอย่าไปฟิกซ้อนลงไปในธาตุหนึ่งขั้นใดเพียงเท่านี้มันก็จะมีสภาพที่มันรีแลกในตัวของมันเองอยู่แล้วเป็นปกติ เรียกว่าคลายตัวมันเองก็เรียกว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์ที่ไม่อุปทานทับซ้อนเป็นกายเป็นจิตเป็นชีวิตที่ไม่มีอุปทานซ้อนเพียงเท่านี้ลูกก็นอกเหนือสุขนอกเหนือทุกขอย่างบุตชนคนทั้งหลายเป็นแล้วไม่อุปทานซ้อนก็การเป็นการอยู่ทั้งหลาย แล้วลูกก็จะตรงตัวเนื้อหาของความหลุดพ้นในตัวมันเองมากที่สุดไม่ใช่ข้างหน้าลูกปัจจุบันนี้เลยขอให้มันรีแลกต์เป็นเท่านั้นแหละคลายเป็นอันที่คลายเป็นนี่ก็เพียงแค่ลูกลดตั้งลดต้องของลูกเองลงเท่านั้นแหละมันก็คลายแล้วลูกมันไม่มีอะไรยุ่งยากมากความแล้วไอ้ที่มันยุ่งมันยากเพราะว่าตัณหามันเยอะลูก โมหะมันเยอะตัณหามันเยอะลุกเจริญตัณหามากเกินไปดิ้นรนมากเกินไปหลงใช่ธาตุหลงใช้ขันมากเกินไปมันก็เลยปัญหามันเยอะเวทนามันก็จะเยอะมีบากมันก็เยอะตามมันเยอะตามไม่หมดเลยประเด็นที่สําคัญไม่ใช่เป็นการอยู่เพื่อยึดการอยู่ลุกไม่ได้อยู่เพื่อที่จะยึดอะไร เพราะว่ามันยึดมาเยอะแล้วพยายามยึดกันขนาดไหนก็ยึดอะไรไม่ได้เลยสักสิ่งสักอย่างตายทิ้งหมดทุกรูปทุกนามไม่ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันหมดอยู่ในภูมิหนึ่งชั้นใดไม่เด้นานาเราก็ได้เปลี่ยนภูมิเปลี่ยนชั้นไปเรื่อยสรุปแล้วมันก็คือยึดอะไรไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังหลงยึดกับาะามันหลงแต่นั้นก็ลูกให้จบ ในเนื้อหาของโมหะนี้ก็ให้จบเป็นเรียกว่าไม่ใช่เพื่อยึดสิ่งใดการเป็นการอยู่ทั้งหลายให้มันตรงตัวเนื้อหาสจรธรรมที่มันแล้วแล้วไปในตัวของมันเองตลอดเหมือนกับลมหายใจที่เข้าแล้วออกออกแล้วเข้าเข้าแล้วออกหรือว่าผ่านมาผ่านไปอยู่แล้วตลอดลูกไม่ผิดสจรธรรมแต่ถ้ามุ่งยึดมึงอยู่นี่แหละมันผิดสจรธรรม แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กดดันกับลูกเองเดเวทนามจะเกิดขนาดกายแห่งตนเองจิตแห่งตนเองก็ในตนเองแท้ๆก็ยังเป็นสิ่งที่ยึดไม่อยู่เลยลูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปผ่านไปผ่านไปแก่ไปแ ก, แก่ไปตายไปตายไปขนาดในกายในจิตแห่งตนนะใกล้ตัวเองที่สุดแหละ ก็ยังเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ยึดไม่อยู่เลยรนั่งกกนอนกกอะไรอยู่เองก็ยังยึดไม่ได้เลยลูกยึดไม่ได้เลยยังเสื่อมไปยังสลายไปยังแก่ไปยังตายทิ้งไปอันนี้จังตลอดเวลาแต่นั้นในส่วนนี้ก็ให้หูตาสว่างขึ้นมาจิตใจสว่างสวยขึ้นมาถึงการที่มันจะคลอคลายตัวมันเอง ไม่ใช่เพิ่มหมกมุ่นโมเมาในการเป็นการอยู่ทั้งหลายนี่มันหูตาสว่างขึ้นมาให้มันดวงใจสว่างสวยขึ้นมาว่าในตัวมันเองนี้มันก็ยึดไม่ได้อยู่แล้วในตัวมันเองนี้ลูกลูกก็จะได้โหลดเป็นมันจะได้โหลดตัณหาโหลดโมหะโหลดอุปทานในตัวเองเป็นแล้วนั่นแหละ ก็จะได้กระจา่างถึงความที่มันนอกเหนือทุกมันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเราก็ไปหลงทุกเองอ่ะลูกไปหลงทําให้มันทุกไปเองไปหลงยึดไปหลงผูกพันเหนียวแน่นให้มันทุกไปซะเองนี่แหละมันหลงไปซะเองแต่นั้นถ้ามาหลงมากมันจะทุกมากหน่อยถ้าหลงน้อยมันก็จะทุกน้อยหน่อยทุกวันนั่นแหละลูก ว่ากันเป็นวินาทีเลยไม่ว่าจะวินาทีไหนชั่วโมงไหนวันไหนว่ากันเป็นขนาขณะจิตไปเลยลูกขณะไหนถ้ามันตั้งมากหน่อยขณะนั้นมันก็จะกดดันในตัวมันเองมากหน่อยจะทุกข์ในตัวมันเองมากหน่อยว่ากันเป็นขณะจิตไปเลย เป็นพราะเป็นชาตินี่ยมันก็ยังยาวไกลไปว่ากันในปัจจุบันเนี่ยแต่นั้นในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อไม่ฉลาดในเนื้อหาแห่งกฎธรรมมันก็จะโง่เขากับการสร้างกรรมใส่ตัวเองไอ้สร้างกรรมใส่ตัวเองนี่มันคืออย่างไรก็คือมันกรรมในตัวเองนี่แหละลูก แย้ง่ายๆเลยก็คือมันก็คือกรรมในตัวเองเนี่ยแหละมันยึดในตัวมันเองนี่แหละยึดกายยึดจิตยึดรู้ยึดเห็นยึดความนึกความคิดยึดความรู้สึกยึดในอารมณ์ทั้งหลายนี่นี่เขาเรียกว่ามันโง่เกี่ยวกับเรื่องกรรมในตัวเองนี่แหละที่มันเป็นเหตุของความทุกข์ในแต่ละเวลานาทีของลูกเองทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้ามันคลายสะบ้างมันรีแลกซะสบ้างนะมันได้ผ่อนมันได้โหลดมันได้ลดตัวจริงจังตัวจอดจ่อ จ, จึงจองต้องตัง้งทุกสิ่งทุกอย่างในวิถีจิตในวิถีชีวิตในแต่ละขณะอารมณ์นี่มลูกลล็ลดลงลดลงไอโมหกรรมในตัวเองเนี่มันก็คลายมันก็ลดลงด้วย เรียกว่าแบบไม่หลงไม่หลงทุกไปเสองไม่หลงสร้างทุกไปเสองนี่แหละเขาเรียกว่าให้มันได้ตรงตัวเนื้อหาของพุทธาอรหันขึ้นมาในสมก็ที่กราบไหว้ไหว้ไหวส า, าระบูชาไวา้เนื้อหาท่านเป็นอย่างไรรูปก็จะได้ตรงตัวเนื้อหาของท่านไม่ใช่เอาแต่กราบเอาแต่ไหว้เอาแต่สวดมนต์เอาแต่อ้อนวอนเอาแต่ร้องขอ แต่ใจไม่เคยตรงเนื้อหาต่อการวางในตัวมันเองเลยแล้วลูกจะตรงต่อเนื้อหารู้จักพุท ธ, ธะได้อย่างไรกล่าวพระแต่ก็ไม่ถึงพระไหวพระแต่ก็ไม่ถึงพระก็เพราะลูกไม่เคยตรงต่อเนื้อหาต่อการวางในตัวมันเองลูกก็เลยไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของพุทธอรหันได้ก็จะได้แค่รูปๆล้วมันคำอยู่แค่เปลือกแค่กระพี้ จะแค่รูปแบบซึ่งมันไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงสิ่งที่อุปโรคขึ้นชั่วคราวหนึ่งทราวหนึ่งการหนึ่งการหนึ่งแล้วก็ผ่านไปปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกลไกแห่งอนิจจังต่อใดเมื่อลูกลูจักวางในตัวมันเองได้ในขณะไหนนั่นแหละขณะนั้นลูกก็จะตรงตัวเนื้อหาของพุทธอรหันต์อย่างแท้จริงขึ้นมาคือทั้งหมดคือความมายุดติดและความหลุดพ้นในตัวมันเอง อันนี้แหละลูกที่จะไม่หลงทุกข์ทั้งหลายต่อไปมันจะไ ม, ไม่ไม่เหมือนกับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไปในวัฏฏะวนทั้งหลายมีนจะมุ่งอยู่มุ่งยึดมุ่งยึดมุ่งอยู่อะไรดังนั้นชีวิตอย่างนี้อย่างนั้นตริงละคนด้วยความทุกข์ละคนด้วยความยากลาบากอยู่ตลอด แล้วถ้ามันมีมากขึ้นมากขึ้นอย่างนั้นมันจะกลายวิกฤตร่วมกันในโลกในสังสวัแห่งหมู่สปสัตว์ทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์เหมือนกันหมดเพราะว่าชีวิตหนึ่งเมื่อตายแล้วมันก็ไม่ใช่จบมันตายแต่ตัวแต่จิตวิญญาณมันไม่ตายอนุสัยที่เคยตอกย้ำการยึดการติดมัน สั่งสมมาแบบไหนมันก็แผงฤทธิ์ในตัวมันเองอยู่ในจิตในวิญญาณนะไปเรื่อยๆสร้างความมุ่งิดลำคาญให้กับตัวมันเองไปเรื่อยเมื่อมันยังยึดอยู่มันยังต้องมันยังตั้งอยู่มันยังขยันอะไรกับอะไรมากอยู่มันก็ยังสร้างความระคายเพลองให้กับตัวมันเองไปเรื่อยๆในดวงจิตหนึ่งดวงจิตหนึ่งนี้นะไม่ว่าร่างกายมันจะแตกดับไปแล้วก็ตามแต่จิตนี่มันไม่แตกมันไม่ดับมันไม่จบในตัวมันเอง ออกจากล่างไปแล้วมันไปสู่ภูมิหนึ่งพบใดมันก็มีนิสัยกรรมได้ไปสวยในะนิสัยกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นต่อไปอีกแต่นั้นตามที่คนทั้งหลายคิดว่าตายแล้วมันจะจบแล้วมันก็แค่ความคิดเอาที่มันจะจบจริงๆเนี่ยเพราะามันวางใจเป็นมันไม่ใช่แค่ว่าตัวตายร่างกายแตกดับแล้วมันจะจบ มันจบจริงๆนะ่ะมันจบเพราะว่ามันมวางตัวมันเองเป็นใจเนี่ยไม่เป็นตัณหาดิ้นรนในตัวของมันเองแบบนี้มันจบหมดทั้งภาคกายและภาคจิตจบภบจบชาติไม่ต้องเป็นเวียนว่ายเกิดดับไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภูมิไหนชั้นไหนต่อไปนอกเสจากผู้ที่มีปณิธานในการปรดสปสัตย์ทั้งหลาย จึงค่อยอุปรโรคธาตุขันธ์ขึ้ น, นลองู่การโปรดสรรพสัตว์ในภาครวมนั่นก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีปณิธานในการโปรดสรรพสัตว์แต่สําหรับผู้ที่ไม่มีปณิธานในการโปรดสรรพสัตว์เนี่ยในคราใดายามใดเมื่อมันวางตัวมันเองเป็นเมื่อมันวางใจในตัวมันเองเป็นแล้วในลูกมันก็ดับแล้วก็ดับเลยมันจะจบเลยทั้งกายทั้งจิตพร้อมกันไปนเลย แตนั้นคำว่าจบนี่มันเอาความตายเนี่ยมาเป็นประมาณไม่ได้เอามาเป็นเครื่องวัดไม่ได้ลูกเพราะจิตดวงหนึ่งเนี่ยมันเที่ยวเกิดแล้วเที่ยวเกิดอีกมากมายหลากหลายนะจะมานับพบนับชาติไม่ทั่นไอจิตดวงเดียวเนี่ยเรียกว่าร่างนี้สังขาร น, นี้ที่มันมาอาศัยจุตติอาศัยเกิดกำเนิดขึ้นในธาตุปีดินน้ามลมไฟเนี่ยมันจะนับไม่ทันล่ะ ในจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งเดีวเวียนมาเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาเวียนไปอยู่อย่างนี้แต่หากว่าในการหนึ่งการใดเกิดได้เจอได้พบอธิวาสนามหาบา ร, รมีแห่ององค์พระอรหันต์ทั้งหลายหรืออริยะเจ้าทั้งหลายหรือพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือว่าถ้าโชคดีในยุคหนึ่งพุทธันดรใดได้พบกับองค์พุทธ พระ อ, องค์หนึ่งพระ อ, องค์ใดนั่นแหละมันจะเป็นบทสรุปให้กับชีวิตหรือจิตของดวงนี้เลยว่าแนวทางที่พระ อ, องค์ได้ทรงให้ก็คือการที่ได้รู้จักวางหรือดับในตัวมันเองจิตนี้ไม่ต้องไปมุ่งติดมุ่งยึดใดๆแม้กระทั่งในตัวมันเองเพราะมันอนิจจังตลอดก็ให้ปล่อยก็ให้วาง ก็เริ่มรู้จักลอยรู้จักวางตามมันก็เริ่มจบแล้วลูกเนี่ยเริ่มจบเป็นแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละชีวิตนยะสุกก็จบเป็นทุกข์ก็จบเป็นเนะพอมาเริ่มวางในตัวมันเองไปแล้วมันก็จะเลิกแล้วหลงสุขหลงทุกข์ในนี่เลิกแล้วเลิกหลงนั่นแหละเรียกว่าจบแต่ถ้ามันยังหลงสุขหลงทุกข์อยู่ที่นี่มันไม่จบนะออย่างนี้ คตัวทถึง่าตายกายแตกดับมันก็ไม่จบเพราะจิตมันยังหลงยึดในตัวมันเองอยู่นี่พูดถึงเมื่อโชคดีได้พบกับคําสอนที่ทําให้มันจบหรือว่าสรุปในตัวมันเองเป็นวางในตัวมันเองเป็นนั้นก็ถือว่าชีวิตทั้งชีวิตนี้ที่มันเป็นวะตะัตฏะวนมาไม่รู้กี่การกี่กับเนี่ยมันได้บทสรุปสรุปที่ทีชีวิตเนี้เหมือนกับเรา เกิดมาแล้วมีอายุอยู่มาตั้งกี่สิบปีกี่สิบปีล้วก็เฉลียวตัวเองบ้างหรือเปล่ามันจบหรือยังในตัวเองทำไมมันดิ้นรนอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ว่ากลางวานันไม่ว่ากลางคืนเนี่ยมันจะจบแบบไหนจิตเ่ยเคยเฉลียวในข้อ น, นี้บ้างหรือเปล่า อ, อชีวิตนี่มันมันเป็นไปยังไงของมันทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวัน แล้วก็วุ่นวายได้ทุกวี่ทุกวันเหมือนกันมันทำไมมันจะจบแบบไหนเพราะว่าความหลงเป็นเหตุนำพาอุปโลกธาตุอุปโลกขันอุปโลกหน้าที่การงานขึ้นมาอยู่ขึ้นมายึดโดยที่ไม่ได้ฉเฉลียวใจถึงข้อนี้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรชนิดหนึ่ง เมื่อหลงเข้าไปเหนียวแน่นใ น, นกลไกเหล่านี้ในการคอยเป็นคอยอยู่แล้วเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันนี่ไม่จบจะนอนหลับขนาดไหนมันก็ไม่อิ่มมันไม่จบตื่นขึ้นมาอิ่มเหมือนเดิมลูกก็วนวายอีกเหมือนเดิมก็มไม่จบแต่การเป็นการอยู่เนี่ยคอยอยู่คอยอยึดคอยอยึ ด, คอยอ ย, ดคอยอยู่เป็ น, นกลไกแห่งกรรมเท่านั้นลูกแต่นั้นจะให้มันจบนั้นลูกก็นั่นแหละให้โหลดให้ลด จึงจ้องตั้งตั้งในตัวเองทั้งหลายในสภาวสิ่งทั้งหลายให้ลดลงลรเราล่อเพ่งโมหะทั้งหลายมันก็จะลดลงด้วยมันจะไม่จัดความหลงทั้งหลายในธาตุในขันในการเป็นอยู่ก็จะค่อยคลี่คลายรีแลกในตัวของมันเองไปเรื่อยๆให้เข้าใจว่าทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกเวลาทุกเวลามันก็ยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแค่อคคุปโภคขึ้นมาอยู่สมมติขึ้นมาอยู่ร่วมกัน แล้วก็ผ่านไปผ่านไปอย่าไปหลงจริงหลงจังซะจนคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังมันอุปโลกทั้งนั้นแหละลูกสมมติทั้งนั้นก็ยังบอกอยู่ว่าแม้แต่ในตัวเองในกายในจิตแห่งตัวเองอยู่กับตัวเองแท้แท้ทุกวันทุกวันก็ยังยึดไม่ได้เลยรู้ว่าไงในตัวเองแท้แท้ในลูกวันวันหนึ่งมันมีตั้งกีขนาดจีขนาดอารมณ์เนี่ยดูดิมันยึดไม่ได้เลยสัก อารมณ์เดียวผ่านไม่หมดเน่เกิดร้อยครั้งมังก็ผ่านไปร้อยครั้งอารมณ์ดันั้นอย่าโ ง, ง่หลงจริงหลงจังโง่อุปโลกทำไมอยู่ทั้งนั้นแหละลูกทาไมใคใจว่าเป็นแค่อุปโลกลูกก็จะไปหลงยึดในสิ่งที่เรียกวอุปโลกแล้วก็หลงเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา มันจะไปจริงไปจ้งตรงไหนเราผ่านไปทุกวันผ่านไปทุกนาทีผ่านไปทุกวิวิวิวิวิววนาทีเนี่ยลูกเนี่ยแล้วก็จะยึดใหม่ต่อไปอีกแล้วข้างหน้า เ, เมื่อมันไม่ได้ยินไม่ได้ฟังในสิ่งที่เป็นเนื้อหาแห่งพุทธะอรหันต์ทั้งหลาย ลูกก็จะไม่รู้ว่าจะหยุดจิตหยุดใจหรือว่าจบจิตจบใจของลูกแบบไหนได้มันก็จะเป็นไปตามกระแสการมโนุสัยที่คุ้นเคยมาอยู่แต่ละวันแต่ละเวลาจึงต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องตั้งมุ่งไปแต่ข้างหน้าทิ้งความเป็นปัจจุบันเอาไว้เบื้องเบื้อ ง, องหลังอยู่ตลอดตลอดแล้วก็มุ่งไปแต่ข้างหน้ามุ่งไปแต่ข้างหน้ามรไมกว่าตัณหานําพาชีวิตอยู่ตลอด แต่นั้นก็สรุปแล้วก็คือไม่ใช่ตรงที่คอยอยู่หรือว่าคอยยืดในแต่ละขณะจิตในแต่ละขณะอารมณ์อย่าว่าแต่สรรพสิ่งภายนอกทั้งหลายแล้วลูกก็จะจบในตัวเองเป็นในรอบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายเนี่ยลูกเพราะโมหะความหลงเนี่ยก็จะจบตามไปด้วยแม้แต่มรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่ไหมลูกจะไปมุ่งเอามุ่งยึด ถ้าไปมุ่งเอามุ่งยึดแม้กระทั่งมรรคผลนิพพานก็จะไม่จบปัญหามันจะหลอกให้ลูกไปข้างหน้าเรื่อยเรือียกว่าออไซต์ไปข้างหน้าอยู่เรื่อยเรื่อยแทนที่มันจะจบปัจจุบันแต่ปัญหามันจะผลักดันให้ไปข้างหน้าแต่นั้นถ้าพูดถึงความมาเยอติดแล้วลูกก็หมายถึงการวางเส้นในปัจจุบันนี้ไม่ใช่นิพพานในอนาคต ไม่ใช่ความหลุดพ้นที่รออยู่ข้างหน้าปัจจุบันูเพียงเดียวว่าลูกจะต้องกล้าวางในตัวมันเองหรือเปล่าเท่านั้นแหละจะทนไหวไหมแต่ความอะไรวนเนี่ยจะทนไหวไหมแต่ความคุ้นเคยและความเคยชินในการหลงระเริงตามธาตุตามขันตามความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยตนของตัวเองไหวไหม ที่จะไม่ไหลาตามรู้ของตัวเองเนี่ยมันจะทนไหวไหมลูกมันเยอะนะความเคยชินของแต่ละดวงจิตเนี่ยที่เรียกว่ากา ร, รมโนใสยเนี่ยไม่ต้องไปเผื่อนะข้อละลูกปัจจุบันนี่แหละมันลดในปัจจุบนันมันก็เป็นการวางในปัจจุบันนี่แหละลูกวางในปัจจุบนันลูกก็มีผลปัจจุบนัน เหมือนก็เราทานข้าวทุกคำอะ่ะมันจะไปอิ่มตอนไหนขอถามหน่อยก็ทานเข้าไปทุกคำมันก็อิ่มทุกคำนั่นแหละลูก แ, แต่มาหลายคำมันก็หลายอิ่มก็แค่นั้นเองทานทุกคำมันอิ่มทุกคำนั่นแหละลูกวางในตัวมันเองทุกครัง้งมันก็จบในตัวมันเองทุกครั้งนั่นแหละลูก มีผลทุกครั้งแต่นั้นให้ลูกโหลดตัวเองเป็นรถไอจัวจึงจ้องต้องตังเนี่ยเขาเรียกมันตัวอุบทานเนี่ยเจตนากรรมเนี่ยให้รู้จักโหลดลดมันจะได้เกิดการรีแลกซ์ขึ้นในสภาพของา่าขันนี้ที่ลูกขับเขี้ยวแล้วกดดันมันมาตลอดจนไม่รู้ว่ามันจะพ้นทุกแบบไหนเนี่ยคยคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันจะพ้นทุกแบบไหนเราเนี่ยอยู่มาจนขนาดนี้แล้วกี่ปีแล้วเนี่ยมันจะพ้นแบบไหนจิต แล้วจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตเหรอตุมลุมล่มนัมดนดันผีเข้าผีออกไม่ว่างคืนกลางวันตลอดชีวิตจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตเรื่องไหนคิดหน ะ, ฉะเฉลียวใจเนี่ยมันผ่านพิ้งทุกวินาทีนะลูกผ่านพิงทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงแล้วก็หมายถึงทุกขณะ จ, จิ ต, ตนั่นแหละ มันก็เป็นศีลในตัวมันเองไปเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว้นจากการก็เกี่ยวเหนียวแน่นในตัวมันเองในธาตุในขันเรียกวเป็นเรียกวเป็นศีลที่สุดแล้วลูกเรียกวาอาธิศีลศีล น, น, นั้นยิ่งเป็นศีลชนิดที่พ้นทุกแล้วก็หลุดพ้นในตัวมันเองหลดเป็นลดเป็นแต่ละธาตุแต่ละขันแต่ละขนาจิตนั่นะ มันทั้งหมดของศีลเลยเนะี่ยการวัดคือการเว้นเนี่ยมันมารวมอยู่ที่การเว้นอุปทานเนี่ย ล, ลูกเว้นโมหะเว้นอุปทานเนไม่เป็นตัญหาความผูกพันในธาตุในขันเนี่ยลูกผลปัจจุบันนิพพานกัปัจจุบันไม่ต้องปล่อยให้ความปรารถนามันหลอกไปสู่อนาคตปัจจุบัน วางปัจจุบันลูกกับเบาในปัจจุบันน่ะมันไม่ไปเบาในอนาคตปัจจุบันนี่แหละลูกลูกจะได้ตรงตัวเนื้อหาของพุทธะอรหันต์ของแท้ของจริงขึ้นมาด้วยในตัวเองนี่แหละไม่ใช่มุ่งไปหาแต่ข้างนอกข้างนอกลูกอรหันต์ทั้งหลายก็มาจากการวางธาตุขันของท่านเองทั้ง น, นั้นแหละพูดง่ายๆคือวางในตัวมันเองนี่แหละลูก จึงกลายเป็นเนื้อหาแห่งพุท ธ, ธะพาหันขึ้นมาพูดที่นอกเหนือสุขนอกเหนือทุกข์ทั้งหลายเพราะว่ามันไม่ต้องไปมุ่งสู่การยึดติดในสิ่งในดนั่นแหะต่นั้นเวลาจะกราบเวลาจะไหวในสิ่งที่เรียกว่ามหาบา ร, รมีหรือคุณอันสูงสุดอย่างยิ่งนี้ลูกก็ไม่ใช่ว่าพุ่งไปข้างหน้านะ กราบไปในคุณแล้วจิตลูกก็คลายตามไปด้วยเมื่อสำนึกระลึกในพระคุณทั้งหลายเมื่อกลาบเมื่อไหวแล้วจิตลูกก็หมายถึงคลายตามไปด้วยจึงจะเป็นเนื้อหาเดียวกันถ้าแบบนี้ไม่หลงกราบก็ไม่หลงกราบไหวก็ไม่หลงไหวเพราะมันคลายมันคลายอุปทานในดวงใจไปด้วยอตรงตัวเนื้อหาของท่านไปแบบนี้ไม่เป็นโมฆะนะลูกนะ กระบพระจะได้ถึงพระจริงๆไหว้พระก็จะได้มีเนื้อหาของความเป็นพระในดวงใจจริงๆต่อไปกันามาแดดมาแขวนแอวแขวนคอให้ยุ่งยากแล้วรูปนั่นเหรียญ น, นี่อะไรพระเสะเองเอาโสโส